พระตรปิฎกเล่มที่เก้าพระสุทนันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีฆานิกายศีลขันธวัตรขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งรมชาลสูตรว่าด้วยข่ายแห่งพระสัพพัญญุตยานอันประเสริฐเรื่องสุปิยปริพาชกกับรมทัตมานก ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้หมายเหตุคำว่าข้าพเจ้าในตอนเริ่มต้นของพระสูตรนี้และพระสูตรอื่นๆในเล่มนี้หมายถึงพระอานนท์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างกรุงราชคลืกับเมืองนาลันธาพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ500รอรูปแม้สุปิยบริภาชกซึ่งเป็นสาวกของครูสัญชัยเวลันทบุตร เป็นนักบวชปริพาชกนิกายหนึ่งที่นุ่งผ้าขาวแม้สุ ป, ปิยาปริพาชกก็ได้เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคลึกับเมืองนาลันธาพร้อมด้วยพรมทัตมานพผู้เป็นสิทธ์เช่นเดียวกันทราบว่าในการเดินทางครั้งนั้นสุ ป, ปิยปริพาชกกล่าวตีเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพรมทัตมานพผู้เป็นสิทธ์ของเขา ก ล, กล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับสิทธิ์มีถ้อยคำขัดแย้งในลักษณะตรงกันข้ามอย่างนี้ขณะเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าประทับแรมณพระตาหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพราชทิกาพร้อมกับภิกษุสงฆ์ แม้สุปิยาริพาชกก็เข้าพักแรมณพระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานกับพระมทัตมานพเช่นเดียวกันณที่นั้นสุปิยาริพาชกก็กล่าวติเตียนพระพุทธธรรมพระสงฆ์หลายอย่างส่วนพระมทัตมานพผู้เป็นศิษย์ของเขากลับกล่าวยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับศิษย์มีถ้อยคําขัดแย้งในลักษณะตรงกันข้ามอย่างนี้ รั้นเวลาใกล้รุง่งภิกษุหลายรูปลุกขึ้นนั่งสนทนากันในหอนั่งว่าท่านผู้มีอายุน่าอาจจัศจริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบว่าสัตว์มีอัธยาศัยต่างกันดังที่สุปิยปริพาชกผู้นี้กล่าวติเตียนพระพุทธรธรรมพระสงฆ์หลายอย่าง ส่วนพระมทัทมานพคู่เป็นศิษย์ของเขากลับกล่ายกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลายอย่างอาจารย์กับศิษย์มีถ้อยคำขัดแย้งในลักษณะตรงกันข้ามขณะเดินตามหลังพระผู้มีพระภาคและภิกษุสง์ไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบคําสนทนาของภิกษุเหล่านั้นจึงเสด็จไปที่หอนั่งประทับนั่งบนพระพุทธาฏที่ปูลาดไว้แล้วตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลายเวลานี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพวกข้าพระพุทธเจ้าลุกขึ้นเวลาใกล้รุง่งได้สนทนากันในหอนั่งว่าท่านผู้มีอายุน่อาอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ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 และภิกษุสงไปเรื่องนี้แหละที่พวกข้าพระพุทธเจ้าพูดค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าขา้าหัวข้อวิธีปฏิบัติเมื่อมีคนติเตียนหรือยกย่องพระรัตนตรัยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถึงคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเตียนเรา กล่าวติเตียนพระธรรมหรือกล่าวติเตียนพระสงฆ์ก็ตามพวกเธอไม่ควรผูกอาคาตแค้นเครืองขุนใจคนพวกนั้นถ้าพวกเธอโกรธเครืองหรือไม่พอใจพวกเขาพวกเธอก็จะประสบอันตรายอันตรายในที่นี้หมายถึงอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมชั้นสูงพวกเธอก็จะประสบอันตรายเพราะความโกรธเครืองนั้นได้อันหนึ่ง พวกเธอจะรู้ได้หรือว่าที่พวกเขาพูดนั้นถูกหรือผิดพวกภิกษุกราบทูลว่ารู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าคำติเตียนนั้นถ้าเป็นเรื่องไม่จริงพวกเธอควรชี้แจงให้เห็นชัดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงไม่ถูกต้องไม่มีและไม่ปรากฏในพวกเราภิกษุทั้งหลาย ถึงคนพวกอื่นจะพึงกล่าวยกย่องเรากล่าวยกย่องพระธรรมหรือกล่าวยกย่องพระสงฆ์ก็ตามพวกเธอไม่ควรทำความรื่นเริงดีใจหรือกระยิ่มใจต่อคนพวกนั้นถ้าพวกเธอทำความรื่นเริงดีใจหรือกระยิ่มใจต่อพวกเขาพวกเธอก็จะประสบอันตรายเพราะความรื่นเริงดีใจนั้นได้เช่นกันคำยกย่องนั้นถ้าเป็นเรื่องจริง พวกเธอควรยืนยันให้เขารู้ชัดลงไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถูกต้องมีอยู่และปรากฏในพวกเราหัวข้อจุลศิลป์ปุตุชนคือคนที่ยังมีกิเลสหนาะที่เรียกเช่นนี้เพราะบุคคลประเภทนี้ยังมีเหตุก่อให้เกิดกิเลสอย่างหนานานับประการปุทุชนมีสองประเภท คืออันธปุตุชนคนที่ไม่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตและการเลียนปุตุชนคนที่ได้รับการศึกษาอบรมทางจิตแล้วภิกษุทั้งหลายปุตุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตก็พึงกล่าวด้วยเรื่องเล็กน้อยต่าต้อยเพียงเรื่องระดับศีลเท่านั้นคือปุตุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคต ก็จะพึงกล่าวว่าหนึ่งพระสมณะโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัต ร, ราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ 2. พระสมณะโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้รับเอาแต่ของที่เขาให้ มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่ทรงเป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ 3. พระสมณะโคดมทรงละประพฤติกรรมอันเป็นฆ่าศึกต่อรพรงหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์เว้นห่างไกลาจากเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านสำหรับคำว่าพรหมจันทร์มีความหมายหลายในในที่นี้หมายถึงเมถุนวิรัต หรือการงดเว้นจากเมทุนธรรมสำหรับเมถุนธรรมก็คือการร่วมเพศหรือสาเร็จความใคร่นะครับส่วนคําว่าเมถุนธรรมอันเป็นกิจของชาวบ้านกิจของคนคู่หมายถึงการร่วมประเวณีหรือการเสพสังวาสกัน 4. พระสมณโคดมทรงละทรงเว้นขาจากการพูดเท็จ คือตรัสแต่คำสัตย์ดารงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกห้าพระสมณะโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากคำสอเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้น สมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามาัคคีกันตรัสแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามาัคคี 6. พระสมณโคโดมทรงละทรงเว้นขาจากคำหยาบคือตรัสแต่คำไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจ 7. พระสมณะโคดมทรงละทรงเว้นขาดจากคำเพ้อเจอ้อคือตรัสถูกเวลาตรัสคำจริงตรัสอิงประโยชน์ตรัสอิงธรรมะตรัสอิงวินัยตรัสคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลา8 พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรากพืชคามและผูตะคาม 9. พระสมณโคดมเสวยมื้อเดียวไม่เสวยตอนกลางคืนทรงเว้นขาดจากการเสวยในเวลาวิการเวลาวิการหมายถึงเวลาที่ห้ามไว้เฉพาะแต่และเรื่องเวลาวิการในที่นี้หมายถึงผิดเวลาที่กำหนดไว้ คือตั้งแต่หลังเที่ยงวันจนถึงเวลาอารุณขึ้น 10. พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นที่เป็นค่าสึกแก่กุศล 11. พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการทัดทรงระดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัว 12. พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ 13. พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับทองและเงิน 14. พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบข้อนี้หมายถึงธั ญ, ญชาติที่มีเมล็ดมีเปลือกสมบูรณ์พร้อมที่จะงอกได้เช่นข้าวเปลือก 15. พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบ 16. พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารี 17. พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการรับทาตหญิงและทาตชาย 18. พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการรับแพะและแกะ 19. พราสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการรับไก่และสุกรยี่สิระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการรับช้างโคมา้าและลา21พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการรับเลือกสวนไรนาและที่ดิน22พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทน และผู้สื่อสารยี่สพระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการซื้อขายยี่สิบสี่พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัด25พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวง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 ูุทุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตก็จะพึงกล่าวว่าหนึ่งพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการพรากพืชชะคามและภูตคามเช่นที่สมณพราหมูเจริญบางพวกฉันโพชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพรากพืชชะคามและภูตคามเหล่านี้คือพืชเกิดจากเงาเกิดจากลำต้นเกิดจากตาเกิดจากยอดเกิดจากเมล็ด คำว่าพืชคามหมายถึงพืชพันธ์จำพวกที่ถูกพรากจากที่แล้วยังสามารถงอกขึ้นได้อีกส่วนคำว่าภูะคามคือของเขียวหรือพืชพันธ์อันเกิดอยู่กับที่มีสี่ชนิดคือที่เกิดจากเงาเช่นกระชายเกิดจากต้นเช่นโพเกิดจากตาเช่นอ้อยเกิดจากยอดเช่นผักชีเกิดจากเมล็ดเช่นข้าว 2. พระสมณโคดมทรงเว้นขาจากการบริโภคของที่สะสมไว้เช่นที่สมณพราหมู้เจริญบางพวกฉันพภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาเรายังบริโภคของที่สะสมไว้เหล่านี้คือสะสมข้าวน้ำผ้ายานที่นอนเครื่องประทินผิวของหอมและอามิตรอามิตรคือวัตถุเครื่องล่อใจเช่นเงินทองเป็นต้น ในที่นี้หมายถึงเครื่องปรุงอาหาร 3. มพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลเช่นที่สมณพราหมู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลอย่างนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประโคมดนตรี การรำการเล่านิทานการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองการสร้างฉากบ้านเมืองให้งดงามการละเล่นของคนจันทานการเล่นกระดานหกการละเล่นหน้าศกการแข่งชนช้างการแข่งม้าการแข่งชนกระบือการแข่งชนโคการแข่งชนแพะการแข่งชนแกะการแข่งชนไก การแข่งชนนกกระทาการรำกระบี่กระบองการชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพลสวนสนามการจัดกระบวนทัพการตรวจกองทัพ 4. พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการขวนขวายในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเช่นที่สมณะพระผู้เจริญบางพวกฉันโพชนาหาที่เขาให้ด้วยศรัทธา แล้วยังขวนขวายในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอย่างนี้คือเล่นหมากรุกแถวละแปดตาหรือสิบตาเล่นหมากเก็บเล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นโยนบวงเล่นไม้หึงเล่นกำทายเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นไถเล็กเลเล่นหกเมนเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถเล็ก เล่นธนูเล็กๆ เ, เล่นเขียนไทยเล่นทายใจเล่นล้อเลียนคนพิการ 5. พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากที่นอนอันสูงใหญ่เช่นที่สมณพราหมู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแลอย่างใช้ที่นอนสูงใหญ่อย่างนี้คือเตียงมีเท้าสูงเกินขนาด เตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้ายรมขนสัตว์เครื่องลาดขนแกะลายวิจิตรเครื่องลาดขนแกะสีขาวเครื่องลาดมีลายรูปดอกไม้เครื่องลาดยัดนุ่นเครื่องลาดขนแกะวิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายเช่นสีหะและเสือเครื่องลาดขนแกะมีขนสองด้านเครื่องลาดขนแกะมีขนด้านเดียวเครื่องลาดปักด้วยไหมประดับรัตนะ เครื่องลาดผ้าไหมประดับรัตนะเครื่องลาดขนแกะขนาดใหญ่ที่นางฟ้อนสิบหกคนร่ายรำได้เครื่องลาดบนหลังช้างเครื่องลาดบนหลังม้าเครื่องลาดในรถเครื่องลาดทำด้วยหนังเครื่องลาดทำด้วยหนังเสือเครื่องลาดหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนสองข้างหก พระสมณะโคดมส่งเว้นขาดจากการขวนขวายในการประดับตกแต่งร่างกายเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายในการประดับตกแต่งร่างกายอย่างนี้คืออบผิวนวดอาบน้ําหอมเพาะกายส่องกระจกแต้มตาทัดพวงดอกไม้ประทินผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือ สวมเกี้ยวใช้ไม้ถือใช้กลักยาใช้ดาบใช้พระขันใช้ร่มสวมรองเท้าวิจิตติดกรอบหน้าปักปิ่นใช้พัดและแส้ขนหางจามรีนุ่งห่มผ้าขาวชายยาวเจ็ดพระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากเดรัจานกถาเดรัจานกถา คือถ้อยคําอันขวางทางไปสู่สวรรค์นิพพานหมายถึงเรื่องราวที่ภิกษุไม่ควรนํามาเป็นข้อถกเถียงสนทนากันพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากเดรัจฉานกรถาเช่นที่สมณพราหม์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแลอย่างพูดเดรัจฉานกรถาอย่างนี้คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องมหาอัมมาศเรื่องกองทัพ เรื่องภัยเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทสำหรับชนบทในที่นี้หมายถึงเขตปกครองที่ประกอบด้วยเมืองคือนครหลายๆเมืองตรงกับคําว่าแคว้นหรือรัฐในปัจจุบัน เรื่องเกี่ยวกับเดรัจฉานกถาต่อนะครับคือเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่โล่งลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อม8พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการพูดทุ่มเถียงแก่งแย่งกันเช่นที่สมณพระผู้เจริญบางพวก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 คำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดเสียก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเรื่องตนให้พ้นผิดเถิด 9. พระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสาร เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโพชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาและยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารอย่างนี้คือรับเป็นสื่อให้พระราชาราชมหาอมาตย์กษัตริย์พรหมขหะบดีและกุมารว่าท่านจงไปที่นี้หรือที่โน้นจงนําเอาสิ่งนี้ไปจงเอาสิ่งนี้มาจากที่โน้นสิบ พระสมณะโคดมทรงเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียงเช่นที่สมณะพราหมู้เจริญบางพวกฉันโพชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงเลียบเคียงหวานล้อมพูดและเล็มใช้ลาบต่อลาบจบมัชชิมศีลหัวข้อ มหาศีลปุทุชนเมื่อกล่าวยกย่องตถาคตก็จะพึงกล่าวว่าหนึ่งพระสมณโคดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาคือวิชาที่ขวางทางไปสู่สวรรค์นิพพานเช่นที่สมณพราหมู้เจริญบางพวกฉันโพชนาหารที่เข้าให้ด้วยศรัทธาและยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้ คือทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายโชคลางทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนพิธีซัดแกลบบูชาไฟพิธีซัด ร, รำบูชาไฟพิธีซัดเข้าสารบูชาไฟพิธีเติมเนยบูชาไฟพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ พิธีพ่นเครื่องเส้นบูชาไฟพิธีพลีกรรมด้วยเลือดวิชาดูอวัยวะวิชาดูพื้นที่สําหรับข้อนี้คือความรู้เรื่องลักษณะอันเป็นคุณเป็นโทษของทาเลที่ตั้งบ้านเรือนและเลือกสวนไรนาเป็นต้นวิชาการปกครองวิชาทำเสน่อีกในหนึ่งหมายถึงวิชาการรู้เสียงร้องของสุนัขจิ้งจอก เวทมนต์ไล่ผีวิชาตั้งสารพระภูมิวิชาหมองูวิชาว่าด้วยพิษวิชาว่าด้วยแมงป่องวิชาว่าด้วยหนูวิชาว่าด้วยเสียงนกวิชาว่าด้วยเสียงกาวิชาทายอายุวิชาป้องการลูกสอนวิชาว่าด้วยเสียงสัตว์ร้อง 2. พระสมณโคดม ส่งเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณะพราหมูเจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาและยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือทํานายลักษณะแก้วมณีลักษณะใบพลองลักษณะผ้าลักษณะสัตราลักษณะดาบลักษณะสอนลักษณะธนูลักษณะอาวุธ ลักษณะสตรีลักษณะบุรุษลักษณะเด็กชายลักษณะเด็กหญิงลักษณะทาสชายลักษณะทาสหญิงลักษณะช้างลักษณะม้าลักษณะกระบือลักษณะโคอสุภาษลักษณะโคสามันลักษณะแพะลักษณะแกะลักษณะไก่ลักษณะนกกระทาลักษณะเฮียลักษณะต้มหูลักษณะเต่าลักษณะบัลลึ สำหรับคําว่าลักษณะตุ้มหูเชิงอัดอธิบายว่าอีกในหนึ่งหมายถึงยอดเรือน 3. พระสมณะโคโดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือดูเลิกญาติราทับว่า พระราชาจกเสด็จหรือไม่เสด็จพระราชาในอาณาจักรจกทรงยกทัพเข้าประชิดพระราชานอกอาณาจักรจกทรงล่าถอยพระราชานอกอาณาจักรจกทรงยกทัพมาประชิดพระราชาในอาณาจักรจกทรงล่าถอยชัยชนะจากตกเป็นของพระราชาในอาณาจักรความปราชัยจะมีแก่พระราชานอกอาณาจักร ชัยชนะจะตกเป็นของพระราชานอกอาณาจากักรความปราชัยจะมีแก่พระราชาในอาณาจากักรพระราชาองค์นี้จกทรงชนะพระราชาองค์นี้จกทรงพ่ายแพ้ 4. พระสมณโคโดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเจนติสมณพ ร, ราหมณ์ผู้เจริญบางพวกวชันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธา ละยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือพยากรณ์ว่าจะมีจันทราคราดสุริยคราดนักสัตรคราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะโครจรถูกทางหรือผิดทางดาวนักสัตว์จะโครจรถูกทางหรือผิดทางจะมีอุกาบาตและดาวตกแผ่นดินไหวฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จกขึ้นตก มวัวหมองแจ่มกระจ่างจันทรคราตสุริยะราดหรือนักษัตว์ระฆาดจะมีผลอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือดาวนักสัตว์โคจรถูกทางจกมีผลอย่างนี้โคจรผิดทางจะมีผลอย่างนี้อุกาบาตและดาวตกแผ่นดินไหวฟ้ e ราร้องจกมีผลอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตวขึ้นตกมวัวหมอง แจมกระจัางจักมีผลอย่างนี้ห้าพระสมณโคดมทรงเว้นขาจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือพยากรณ์ว่าฝนจะดีฝนจะแรงจะหาพิกษาหารได้ง่าย จะหาพิกษาหารได้ยากจะมีความสงบร่มเย็นจะมีภัยจะมีโรคจะไม่มีโรคการคำนวณด้วยวิธีนับนิ้วหรือมุตทาการคำนวณด้วยวิธีคิดในใจหรือคานนาการคำนวณด้วยวิธีอนุมาด้วยสายตาหรือสังขารวิชาฉันทะลักและโลกายตาศาสตร์โลกายตาศาสตร์ในที่นี้หมายถึง วิทันทวาทศาสตร์คือศิลปะแห่งการเอาชนะผู้อื่นในเชิงวาทศิลป์โดยการอ้างทฤษฎีและประเพณีทางสังคมมาหักล้างสัจธรรมมุ่งแสดงให้เห็นว่าตนฉลาดกว่ามีได้มุ่งศัจธรรมแต่อย่างใด 6. พระสมณโคดมส่งเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา เชนที่สมณะพราหมณผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชายอย่างนี้คือให้เลิอกอวาหะมงคลเลิกวิวาหะมงคลเลิกเรียงหมอนเลิอกอย่าร้างเลิกรวบรวมทรัพย์เลิกใช้จ่ายทรัพย์ทำให้โชคดีทำให้เคราะห์ร้ายให้อย่าผดุงคันไรม้มนทาให้ลิ้นแข็งทาให้คางแข็ง ทำให้มือสัน่นทำให้คางสัน่นทำให้หูอื้อเป็นหมอดูลูกแก้วใช้หญิงสาวเป็นคนทรงใช้หญิงประจำเทวาลัยเป็นคนทรงบวงสวงดวงอาทิตย์และเท้ามหาพรหมรายมนต์พ้นไฟทำพิธีเรียกขวัญ 7. พระสมณาโคโดมทรงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชา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 รดน้ำมนต์พิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกยาทายยาแก้โรคลมตีขึ้นเบื้องบนยาแก้โรคลมตีลงเบื้องต่ำยาแก้ปวดศีรษะน้ำมันหยอดหูน้ำมันยหนนยอดตายานัดยาหยอดตายาป้ายตาเป็นหมอตาหมอผ่าตัดหมอรักษาเด็กหรือกุมารเวทการให้สมุนไพรและยา การใส่ยาแล้วล้างออกเมื่อโรคหายภิกษุทั้งหลายข้อที่ปุตุชนกล่าวยกย่องตถาคตก็พึงกล่าวด้วยเรื่องเล็กน้อยต่ำต้อยเพียงเรื่องระดับศีลเท่านั้นจบมหาศีลหมาเหตุผู้อ่านสำหรับพระวินัยและข้อห้ามหลายข้อมีนัยยะแฝงและข้อยกเว้นอีกมากมายนะครับ ก่อนจะตัดสินใจว่าอะไรผิดอะไรถูกควรดูที่เจตนาและข้อยกเว้นด้วยแนะนำให้ฟังเกี่ยวกับพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนและข้อมูลก่อนฟังพระไตรปิฎกที่จัดทำไว้เป็นดีวีดีแจกหรือฟังจาก YouTube ได้เลยนะครับหัวข้อทิฏฐิ62อุปพันธ์ตกัสปิกะวาทักษ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 ก็ธรรมะที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตตามความเป็นจริงคืออะไรบ้างคำว่าตถาคตในที่นี้เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงพระองค์เองแทนคำว่าเราภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหม์พวกหนึ่งกำหนดขันส่วนอดีต มีความเห็นคล้อยตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ1 8ปอย่างก็สมณพราหมูเจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงกำหนดขันส่วนอดีตมีความเห็นคล้อยตามขันส่วนอดีตปรารบขันส่วนอดีตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุสิปอย่าง คำว่าพราหมณ์ในเชิงอัดเป็นคำเรียกพราหมณ์พวกหนึ่งที่เป็นสมณะชื่อว่าเป็นสมณะโดยการบวชและชื่อว่าเป็นพราหมณ์โดยชาติกําเนิดหัวข้อสัตธวาทะสีเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงภิกษุทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง ด้วยมูลเหตุสี่อย่างก็สมณพราหมู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรรารอบอะไรจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างสำหรับคำว่าอัตตาในที่นี้หมายถึงวิญญาณอมตะหรืออาตมันมูลเหตุที่หนึ่งหนึ่ง สมณะหรือพราหม์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมั่นความมันประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิเจโตสมาธิคือสมาธิแห่งจิตสมาธิในรูปาวจรจตุตาชานคือชานที่สี่แล้วบรรลุเจโตสมาธิ ที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้าง4ี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40บชาติบ้าง50ชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง หลายร้อยชาติบ้างหลายพันชาติบ้างหลายแสนชาติบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณนะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติคือเคลื่อนจากภพนัน้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณนะมีอาหารสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้นนั้นจุติจากพบนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอตตาและโลกเที่ยงยังยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิด แต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่ภิกษุทั้งหลายมีเป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยและปรารพแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงมูลเหตุที่สองอันหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณพราหมู้เจริญ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 และวิวัตตะกับสังวัตตะกับคือกับฝ่ายเสื่อมช่วงระยะเวลาที่โลกกำลังพินาศวิวัตตะกับคือกับฝ่ายเจริญช่วงระยะเวลาที่โลกกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งสังวัตตะกับและวิวัตตะกับบ้างสองสังวัตตะกับและวิวัตตะกับบ้างจนไปถึงสา5สี่ห้าและส0บสังวัตตะกับ และวิวัติกับบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณะมีอาหารสวัสสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุดติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวันณะมีอาหารสวัสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุดติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้ เขาระลึกชาติก่อนได้หลายชาติรวมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมั่นอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง อาศัยและปราลบแล้วจึงมีวาทะว่าเทียงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียงมูลเหตุที่สามอันหนึ่งในมูลเหตุที่สมสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปราลบอะไรจึงมีวาทะว่าเทียงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเทียงสมณหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส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 ตั้งมันอยู่หยุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียรส่วนสัตว์เหล่านั้นย่อมเล่นไปท่องเที่ยวไปจุดติและเกิดแต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณะพรามพวกหนึ่งอาศัยและปรารกแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง มูลเหตุที่สหนึ่งในมูลเหตุที่สี่สมณพราหมู้เจริญอาศัยอะไรปรารพอะไรจึงมีวาทะวะเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกวัฏเที่ยงสมณหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะคือผู้ที่ให้เหตุผลตามแนวของตักกศาสตร์มีสี่จำพวกคืออนุสติกะอนุมานจากข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ ชาติสระอนุมานโดยการระลึกชาติลาพิตากิกะอนุมานจากประสบการณ์ภายในของตนและสุทธิตกิกะอนุมานโดยใช้เหตุผลล้ว น, นเป็นนักอภิปรชัชญาคือผู้ที่ให้เหตุผลโดยการคาดคะเนความจริงเอาจากการเทียบเคียงจนพอใจถูกใจและยึดถือเป็นทฤษฎี เช่นคาดคณเในเรื่องที่เกี่ยวกับปฐมมเหตุของโลกและจักรวาลสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรชัชญาแสดงทัศนะของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคณเนจริงอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงยั่งยืนตั้งมันอยู่ดุดยอดภูเขาดุดเสาระเนียดส่วนสัตว์เหล่านั้นยอมแล่นไปท่องเที่ยวไปจุติและเกิด แต่มีสิ่งที่เที่ยงอยู่แน่ภิษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยและปราบรกแล้วจึงมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยงสรุปสัจสตะวาทะพิกษุทั้งหลายสมณพราหม์เหล่านั้นมีวาทะว่าเที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าเที่ยง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 เอกจัจจะสัสตตวาทะสีเห็นว่าอัตตาและโลกเที่ยงเป็นบางอย่างภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างก็สมณพราหมูเจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่า บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆโลกหนี้พินาศเมื่อโลกกําลังพินาศเหล่าสัตว์ส่วนมากไปเกิดที่อภัสรารมโลกนึกคิดอะไรก็สําเร็จได้ตามปรารถนา มีปีติเป็นอาหารมีรัศมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอัน ง, งดงามสถิตยอยู่นานแสนานานสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆนนโลกนี้กลับฟื้นขึ้นเมื่อโลกกำลังฟื้นขึ้นวิมานของพรหมปรากฏว่าว่างเปล่าเวลานั้นสัตว์ผู้จุติจากชั้นอภัสระพรหมโลก เพราะสิ้นอายุหรือสิ้นบุญย่อมเกิดที่วิมานพรมอันว่างเปล่านึกคิดอะไรก็สมร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรัศมีสร้านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงามสถิตยอยู่นานแสนนานเพราะสัตว์ผู้นั้นอยู่ในวิมานแต่ผู้เดียวเป็นเวลานานจึงเกิดเบื่อหน่ายว่าโอนอ แม้สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างต่อมาสัตว์เหล่าอื่นจุดติจากชั้นอภัสระพรมโลกรอสิ้นอายุหรือสิ้นบุญย่อมเกิดที่วิมานพรหมเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์นั้นแม้สัตว์พวกนั้นเมื่อคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นอาหารมีรศมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานอันงดงาม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 เป็นบีดาของสัตว์ผู้เกิดมาแล้วและกําลังจะเกิดเราบรรดาสัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีความคิดมาก่อนว่าโอ๋เนอแม้สัตว์เหล่าอื่นพึงมาเป็นอย่างนี้บ้างเรามีความตั้งใจอย่างนี้และสัตว์เหล่านี้ก็ได้มาเป็นอย่างนี้แล้วแม้พวกสัตว์ที่เกิดภายหลังก็มีความคิดอย่างนี้ว่า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 1. ข้อที่สัตว์ผู้จุติคือเคลื่อนจากชั้นนั้นแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายถึงจากรมมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เมื่อเขามาเป็นอย่างนี้แล้วออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นความมั่นประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธี แล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทาจิตให้ตั้งมั่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากนั้นไประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เป็นพระพรมผู้เจริญเป็นเท้ามหาพรมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครขมเหงได้เห็นทองแท้เป็นผู้คุมอำนาจเป็นอิสระเป็นผู้สร้างผู้บันดาลผู้ประเสริฐผู้วงการผู้ทรงอานาจ เป็นบิดาของสัตว์ผู้เกิดแล้วและกําลังจะเกิดพระพรหมผู้เจริญบัรดาลพวกเราขึ้นมาท่านเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรจากดํารงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราที่เป็นพระพรหมผู้เจริญนั้นบรนดาลขึ้นมากลับเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้นต้องจุติมาเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยและปราลบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงมูลเหตุที่สองประหนึ่งในมูลเหตุที่สองสมณพราหม์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่า บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายมีเทวดาพวกหนึ่งชื่อว่ากิทธาปโธสิกะเทวดาพวกนั้นหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮฮาเกินเวลาย่อมหลงลืมสติเพราะหลงลืมสติ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 ระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากนั้นไ ป, ประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพวกเทวดาผู้เจริญผู้ไม่ใช่หล่อคิดทาปโทสิกะย่อมไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮห้ฮาเกินเวลาเมื่อไม่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานสวนเสเฮหฮาเกินเวลาย่อมไม่หลงลืมสติเพราะไม่หลงลืมสติจึงไม่จุติจากชั้นนั้น เป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى. จากดํารงอยู่เที่ยงแท้ไปเช่นนั้นทีเดียวส่วนพวกเราเหล่าคิดทาปโทสิกะมัวแต่หมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานส่วนเสเฮหาเกินเวลาเมื่อหมกมุ่นอยู่ในความสนุกสนานส่วนเสหฮฮาเกินเวลาย่อมหลงลืมสติเพราะหลงลืมสติจึงต้องจุติจากชั้นนั้นเป็นผู้ไม่เที่ยงแท้ไม่ยั่งยืนอายุสั้น ต้องจุติมาเป็นอย่างนี้พิกษุทั้งหลายมีเป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหมณ์พวกหนึ่งอาศัยและปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงมูลเหตุที่สามอันหนึ่งในมูลเหตุที่สาม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 บรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมั่นระลึกถึงชาติก่อนนั้นได้ถัดจากนั้นไ ป, ประลึกไม่ได้เขาจึงพูดอย่างนี้ว่าพวกเทวดาผู้เจริญผู้ไม่ใช่เหล่ามนโนปทศิกะยอมไม่มัวจ้องจับผิดกันและการเกินควรเมื่อไม่มัวจ้องจับผิดกันและการเกินควรก็ไม่คิดบงร้ายต่อกันเมื่อไม่คิดบง้ายต่อกัน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 ถูกต้องตามความเป็นจริงอันตานันติกาวาทะสีเห็นว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดคําว่าที่สุดในที่นี้หมายถึงขอบเขตของโลกทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและตามขวางซึ่งเป็นข้อที่ยกขึ้นโต้แย้งกันว่าโลกมีขอบเขตจากัดหรือไม่มีขอบเขตจากัด ภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุสี่อย่างก็สมณพราหมผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดด้วยมูลเหตุสี่อย่าง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 เราจึงรู้อาการที่โลกนี้มีที่สุดและมีสันธานกลมภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่หนึ่งซึ่งสมณะรามพวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดมูลเหตุที่สองอันหนึ่งในมูลเหตุที่สอง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 เพราะเราอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรที่ตั้งมัน่นความหมันประกอบความไม่ประมาทและอาศัยการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีแล้วบรรลุเจโตสมาธิที่เป็นเหตุทำจิตให้ตั้งมัน่นจึงเข้าใจว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้เพราะการบรรลุคุณในวิเศษนี้เราจึงรู้อาการที่โลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารบแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดมูลเหตุที่สามอันหนึ่งในมูลเหตุที่สามสมณพราหมพูเจริญอาศัยอะไรปรารบอะไร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 ด้านขวางไม่มีที่สุดเขาจึงพูดอย่างนี้ว่าโลกนี้ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สามซึ่งสมณะรามพวกหนึ่งอาศัยแล้วปรารลกแล้วจึงมีวาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดมูลเหตุที่สี่ อันหนึ่งในมูลเหตุที่สี่สมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีว า, า, วาทะว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดบัญญัติว่าโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดพิสูจทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้เป็นนักตักกะเป็นนักอภิปรัชญาแสดงทัศนคของตนตามหลักเหตุผลและการคาดคะเนความจริงอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดก็มิใช่ ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่สมณราหมณที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้มีที่สุดม <Bridge> ีสันฐานกลมเป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้ก็เป็นผู้กล่าวเท็จแม้สมณพราหมณที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ทั้งมีที่สุดและไม่มีที่สุดก็เป็นผู้กล่าวเท็จที่จริงแล้วโลกนี้มีที่สุดก็ไม่ใช่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 อมราวิกะเขปะวาทะสีความเห็นหลบเลี่ยงไม่แน่นอนลัทธิที่มีความเห็นหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นความเห็นที่ลื่นไหลจับได้ยากเหมือนปลาไหลภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมณ์ั้วหนึ่งมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนด้วยมูลเหตุสี่อย่าง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 สิ่งนี้เป็นกุศลก็หาไม่ได้เป็นอกุศลก็หาไม่ได้เพราะกลัวและรังเกียจการกล่าวเท็จเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็มีใช่ภิกษจนทั้งหลาย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 ชันทะคือความพอใจราคะคือความกำหนัดโทสะคือความขัดเคืองปฏิฆะคือความขัดใจจะพึงมีแก่เราได้เรื่องนี้จะเป็นเหตุให้เรายึดมั่นอันจะนำความเดือดร้อนซึ่งจะนำอันตรายมาให้แกเราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่าสิ่งนี้เป็นกุศลก็หามิได้เป็นอกุศลก็หามิได้ เพราะกลัวและรังเกียจการยึดมัน่นเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆจึงกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าเรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ม่ใช่อย่างนั้นก็ม่ใช่อย่างอื่นก็ม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ม่ใช่จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก็ม่ใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สองซึ่งสมณะราหมพวกหนึ่งอาศัยแล้วปราลบแล้ว จึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆัย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนมูลเหตุที่สามอันหนึ่งในมูลเหตุที่ 3, สมามสมณพราหมณ์ผู้เจริญอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอนเมื่อถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลาย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 ชำนาญการโตวาทะแม่นยำดุดขมังธนูมีอยู่แน่แท้สมณพราหม์เหล่านั้นจะเที่ยวกล่าวแก้ทิฏฐิด้วยปัญญาพวกเขาจะซักไซไล่เลี่ยงสอบสวนเราในเรื่องนี้เราจะไม่อาจโตตอบได้การโตตอบไม่ได้นั้นจะทำให้เราเดือดร้อนซึ่งจะนําอันตรายมาให้แก่เราได้ดังนั้นเขาจึงตอบว่า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 ย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรา์บางคนในโลกนี้เป็นพวกเขางมงายความเขางมงายพอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนว่าถ้าท่านถามเราอย่างนี้ว่าโลกหน้ามีจริงหรือหากเรามีความเห็นว่าโลกหน้ามีจริงก็จะตอบว่ามีจริงแต่เรามีความเห็นว่า อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ถ้าท่านถามเราว่าโลกหน้าไม่มีหรือหากเรามีความเห็นว่าโลกหน้า ไ, ไม่มีก็จะตอบว่าไม่มีถ้าท่านถามเราว่าโลกหน้ามีและไม่มีหรือโลกหน้าจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ม่ใช่หรือ สัตว์ที่ผุดเกิดมีจริงหรือในที่นี้สัตว์ที่ผุดเกิดคืออบปาติกะสัตว์ที่เกิดและเติบโตเต็มที่ทันทีและเมื่อจุติหรือตายก็หายวับไปไม่ทิ้งซากศพไว้เช่นเทวดาและสัตว์นรกเป็นต้นถ้าท่านถามเราว่าสัตว์ที่ผุดเกิดมีจริงหรือสัตว์ที่ผุดเกิดไม่มีจริงสัตว์ที่ผุดเกิดไม่มีหรือสัตธิผุดเกิดมีและไม่มีหรือ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 หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หากเรามีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็จะตอบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่แต่เรามีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมูลเหตุที่สี่ซึ่งสมณะรามพวกหนึ่งอาศัยแล้วปราลบแล้วจึงมีวาทะหลบเลี่ยงไม่แน่นอน พอถูกถามปัญหาในประเด็นนั้นๆย่อมกล่าวหลบเลี่ยงไม่แน่นอนสำหรับคำถามเกี่ยวกับคำว่าตถาคตในบทนี้ในเรื่องนี้ในที่นี้เป็นคำที่ลัตที่อื่นๆใช้กันมาก่อนพุทธกาลหมายถึงอัตตาหรืออัตมันไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าอัตถกถาอธิบายว่าหมายถึงสัตตะสรุป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 หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงอธิจัสมุปปนะวาทะสองเห็นว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมวกหนึ่งมีวาทะว่า อัตตาละโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาละโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างก็สมณพราหมณ้จเจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารัอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาละโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัย well. บัญญัติอัตตาละโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่าง มูลเหตุที่หนึ่งิกษุทั้งหลายมีทวยเทพชื่ออสัญญีสัตย์จุติคือเคลื่อนจากชั้นนั้นเพราะเกิดสัญญาขึ้นสัญญาในที่นี้เป็นภาษาพระนะครับไม่ใช่สัญญิงสัญญาที่คนทั่วไปเข้าใจปกติคำว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้มีทวยเทพชื่ออสัญญีสัต์จุติหรือเคลื่อนจากชั้นนั้นเพราะเกิดสัญญาขึ้น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 สรุปปุพานตากับปิกะวาทะสิบปดภิกษุทั้งหลายสมณะพรามเหล่านั้นกำหนดขันคือสรพพสิ่งส่วนอดีตมีความเห็นคล้อยตามขันส่วนอดีตปรารกขันส่วนอดี ต, ป ร, รดตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุสิบปดอย่างนี้แลก็สมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกจําพวกกล่าวยืนยันด้วยมูลเหตุทั้งสบปดอย่างนี้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 แล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงอปรันตะกับอิกะวาทะสีสิบสี่ความเห็นกำหนดขันส่วนอนาคตภิกษุทั้งหลายมีสมณพระพวกหนึ่งกำหนดขันในวงเล็บสรพพสิ่งส่วนอนาคต เห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารภขันส่วนอนาคตประกาศวาท่แสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่างก็สมณพราหมผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารภอะไรจึงกำหนดขันส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารภขันส่วนอนาคตประกาศวาท่แสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ44อย่าง สัญญีวาทะสิเห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาสัญญีว า, าะทะลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตา ย, ยังมีสัญญาเหลืออยู่คำว่าสัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความจำได้หมายรู้ธรรมดาแต่หมายถึงภาวะที่เป็นความรู้สึกรู้ขั้นละเอียดภิกษุทั้งหลาย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 สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าหนึ่งอัตราที่มีรูป2อัตราที่ไม่มีรูป 3. อัตราทั้งที่มีรูปและไม่มีรูป4อัตราที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ 5. อัตราที่มีที่สุด 6. อัตราที่ไม่มีที่สุด 7. อัตราที่มีที่สุดและไม่มีที่สุด8 อัตตา uh. ที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ม่ใช่เก้าอัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันสิบอัตราที่มีสัญญาต่างกันสิบออัตราที่มีสัญญาเล็กน้อยสิบสองอัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได้ 13. สามอัตราที่มีสุขอย่างเดียวสิบสี่อัตราที่มีทุกอย่างเดียวสิบห้า อัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์สิบหอัตตาที่มีทุกข์ก็ม่ใช่มีสุขก็ม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาสรุปสัญญีวาทะส6ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างนี้แล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 อัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่าไม่มีสัญญาด้วยมูลเหตุแปดอย่างสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่า 1. อัตตาที่มีรูป 2. อัตตาที่ไม่มีรูป 3. อัตตาที่มีรูปและไม่มีรูป 4. อัตตาที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่ 5. อัตตาที่มีที่สุด หกอัตตาที่ไม่มีที่สุด 7. อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดแปอัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ทั้งแปดข้อยั่งยืนหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญาภิกษุทั้งหลายสมณพรามหมลนั้นมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วไม่มีสัญญา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 ถูกต้องตามความเป็นจริงเนเวะสัญญีนาสัญญีวาทะแปดเห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหม์กวกหนึ่งมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่า มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยมูลเหตุแปดอย่างก็สมณพราหมู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรปรารบอะไรจึงมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยมูลเหตุแปดอย่างสมณพราหม์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่า 1. อัตราที่มีรูปสองอัตราที่ไม่มีรูป 3. อัตตาที่มีรูปและไม่มีรูป 4. อัตราที่มีรูปก็ไม่ใช่ไม่มีรูปก็ไม่ใช่หอัตตาที่มีที่สุด 6. อัตตาที่ไม่มีที่สุด 7. อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุด 8. อัตตาที่มีที่สุดก็ไม่ใช่ ไม่มีที่สุดก็ม่ใช่ทั้ง8ดข้อย่างยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมเหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็ม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ม่ใช่ ด้วยมูลเหตุ8ดอย่างนี้แหลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจําพวกมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ด้วยมูลเหตุทั้งแดอย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน8ดอย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้มันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคต ามควมเป็นจริงอุเฉทวาทะเห็นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์ลทัทธิที่ถือว่าตายแล้วไม่เกิดอีกเป็นแนวคิดเชิงวัตถุนิยมลทัทธินี้ทำให้หมกมุ่นในการมสุภิกษุทั้งหลายมีสมณพราหมูพวกหนึ่งมีวาทะว่าหลังจากตายแล้วอัตตาขาดศูนย์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 มีวาทะมีทัศนะอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตานี้มีรูปมาจากมหาภูทธรูปสีเกิดจากบิดามารดาหลังจากตายแล้วอัตตาย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตานี้จึงขาดศูนย์เด็ดขาดสมณพราหมูพวกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้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 คือจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปารณิ ม, มิตวสวัตตียังมีอัตตาอื่นที่เป็นทิพมีรูปเป็นกามมวจรบริโภคข้าวเป็นอาหารท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตตานั้นหลังจากตายแล้วจะขาดศูญย์พินาาไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดศูญย์เด็ดขาด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 สมณะหรือพราหม์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหม์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านพูดเจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่ขาดสูญย์เด็ดขาดเพราะเหตุเพียงเท่านี้ยังมีอัตตาอื่นที่ถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะโดยกําหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงอาการสานัญจายตนะได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็น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 โดยกำหนดว่านั่นละเอียดนั่นประณีตเพราะล่วงอากินจัญญายตนะได้โดยประการทั้งปวงท่านยังไม่รู้ไม่เห็นแต่เรารู้เราเห็นอัตตนั้นหลังจากตายแล้วจะขาดสูญพินาตไม่เกิดอีกด้วยเหตุเพียงเท่านี้อัตตาจึงขาดสูญเด็ดขาดสมณพราหมพวกหนึ่งบัญญัติความขาดสูญความพินาตและความไม่เกิดอีกของสัตว์อย่างนี้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 หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในเจ็ดอย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตตามความเป็นจริงทิฏฐธรรมนิพพานวาทะห้เห็นว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันลทัทธิที่ถือว่าสามารถบรรลุนิพพานหรือสามารถดับทุกข์ได้โดยง่ายในอัตภาพนี้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 อาศัยอะไรปรารออะไรจึงมีวาทะว่ามีสภาพบางอย่างเป็นนิพพานในปัจจุบันบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์ด้วยมูลเหตุห้าอย่างหนึ่งสมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้มีวาทะมีทัศนะอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุที่อัตตนี้อบอิ่มเพลิดเพ ล, นเพลินอยู่ด้วยกามคุณห้า จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ 2. ส, สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะการมไม่เที่ยงเป็นทุกข์ผันแปรเป็นธรรมดาเพราะการนั้นผันแปรไปเป็นอื่นความโศกเศร้าความคร่ำครวญความไม่สบายกายความไม่สบายใจและความขับแค้นใจจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่อัตตนี้สงัดจากกามและอกุศลลธรรมทั้งหลายแล้ว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 อัตตาที่ท่านพูดถึงนั้นมีจริงเราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีแต่อัตตานี้ไม่ใช่จะบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมได้เพราะเหตุเพียงเท่านี้เพราะเหตุไรเพราะปฐมชานที่มีวิตกวิจารนั้นบัณดิตกล่าวว่ายังหยาบอยู่เพราะเหตุที่วิตกวิจารสงบไปอัตตานี้จึงบรรลุทุติยฌานมีความพ่องไสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหมพวกหนึ่งบรรยัตนิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้สี่สมณะหรือพราหมณ์คนอื่นกล่าวกับสมณะหรือพราหมณ์คนนั้นอย่างนี้ว่า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 สวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสันเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขจึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณพราหม์พวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ห้า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 เพราะเหตุที่ละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสก่อนดับไปก่อนอัตตนี้จึงบรรลุจตุตตะชาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่จึงชื่อว่าบรรลุนิพพานในปัจจุบันอันเป็นบรมธรรมสมณะพราหมกหนึ่งบัญญัติ น, นิพพานในปัจจุบันว่าเป็นบรมธรรมของสัตว์อย่างนี้ หมายเหตุผู้อ่านปฐมฌานก็คือฌานที่หนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นฌานที่สองคือทุติยะฌานต่อมาก็เป็นฌานที่สามตติยะฌานและฌานสุดท้ายคือฌานที่สี่จตุตะถะฌานสรุปคิทธธรรมนิพพานวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่า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 อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์เหล่านั้นกำหนดขันธ์ในวงเล็บหมายถึงสรรพสิ่งส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันธ์ส่วนอนาคตปรารบขันธ์ส่วนอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐตติต่างๆด้วยมูลเหตุ44ิอย่างนี้แลก็สมณะพราหมณ์เหล่านั้นทุกจาพวก กำหนดขันส่วนอนาคตเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาค ต, ป ร, รนนาคตประกาศวาทะแสดงทิจิต่างๆด้วยมูลเหตุทั้ง44อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน44อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลาย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 ถูกต้องตามความเป็นจริงจบทิฏฐิ62พิบรมชาลสูตรว่าด้วยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะความแสหาความดิ้นรนของคนมีตัณหาว่าด้วยการบัญญัติอัตตาและโลกเพราะผัสสะเป็นเหตุว่าด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกที่มีวาทะประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างเช่นโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงและอื่นๆรวมเป็นทิฏฐิ62ด้วยมูลเหตุ62อย่างนั้นข้อนั้นเป็นความเข้าใจของพวกเขาผู้มีรู้ไม่เห็นเป็นความแสหาความดิ้นรนของคนมีตัณหาเท่านั้นและคนมีตัณหาเหมือนกัน ด้วยเพราะผัสสะเป็นเหตุเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาเว้นจากผัสสะแล้วจะยังรู้สึกได้ผัสสะคือสัมผัสหรือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าทิฏฐิ62เริ่มต้นจากผัสสะนำไปสู่เวทนา สุดท้ายก็คือความทุกข์ดังนั้นจึงไม่อาจนำไปสู่ความดับทุกข์ได้แต่อย่างใดพระมชชลสูตรว่าด้วยวัตตะที่เจ้าลัทธิตั้งไว้ภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกที่มีประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆด้วยมูลเหตุ62อย่างสมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวก รับผัสสะหรือสัมผัสทางผัสายตาหกเช่นตากระทบรูปอูได้ยินเสียงลิ้นได้ลิ้มรสเป็นต้นเมื่อรับผัสสะทางผัสยายตาหกแล้วก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีตัณหาคือความอยากเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดมีอุปาทาน คือความยึดมั่นถือมั่นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพ ค, คือความมีความเป็นเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติคือความเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชราคือความแก่มรณะคือความตายโสกะคือความเศร้าโศกบริเทวะคือความคร่ำครวญทุกข์ความไม่สบายกายทมนัต ความไม่สบายใจและอุปายาตความขับแค้นใจหัวข้อว่าด้วยไม่มีวัตตเป็นต้นภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ภิกษุรู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษแห่งผัสสะยตนะหกและอุบายเครื่องสลัดผัสสะยตนะเหล่านั้นออกตามความเป็นจริงเมื่อนั้น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 ประกาศวาทะสแสดงทิฏฐิต่างๆทั้งหมดถูกทิฏฐิหสสองนี้ซึ่งเป็นดุดตาขายปกคลุมเอาไว้ตกอยู่ในตาข่ายนี้เมื่อโผล่ขึ้นก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้ติดอยู่ในตาข่ายนี้ถูกปกคลุมเอาไว้เมื่อโผล่ขึ้นก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้เองเปรียบเหมือนชาประมงหรือลูกมือชาประมงผู้ชำนาญ ใช้แห่ตาทีทอดลงหนองน้ำเล็กๆเขาคิดว่าบรรดาสัตว์ตัวใหญ่ในหนองน้ำแห่งนี้ทั้งหมดถูกแห่ครอบเอาไว้อยู่ในแห่นี้เมื่อผุดขึ้นก็ผุดอยู่ในแห่นี้ติดอยู่ในแห่นี้ถูกครอบเอาไว้เมื่อผุดขึ้นก็ผุดอยู่ในแห่นี้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกที่กำหนดขันส่วนอดีตพวกที่กำหนดขันส่วนอนาคต และพวกที่กำหนดขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตล้วนมีความเห็นคล้อยตามขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตดารบขันทั้งส่วนอดีตและอนาคตประกาศวาทะแสดงทิฏฐิต่างๆทั้งหมดถูกทิฏฐิ62นี้ซึ่งเป็นดุจตาข่ายปกคลุมเอาไว้ตกอยู่ในตาข่ายนี้เมื่อโผล่ขึ้นก็โผล่อยู่ในตาข่ายนี้ติดอยู่ในตาข่ายนี้ถูกปกคลุมเอาไว้เมื่อโผล่ขึ้น ก็โผอยู่ในตาข่ายนี้เองฉันนั้นอธิบายเชิงอัดทิฏฐิ62คือทฤษฎีทางอภิปรัชญาที่มีอยู่ในอินเดียทั้งก่อนและร่วมสมัยกับพระพุทธองค์มีอยู่ทั้งหมด62ทฤษฎีพระพุทธองค์ทรงยกมาแสดงเพื่อยืนยันว่าพระองค์ทรงรู้ทฤษฎีดังกล่าวอย่างแจ่มแจ้งและทรงแสดงรมชาชลสูตร ครอบคลุมทฤษฎีเหล่านั้นทั้งหมดเปรียบเหมือนชาวประมงใช้แห่ทอดคลุมปลาไว้ได้ทั้งหมดฉะนั้นอุปมาร่างกายเหมือนผลมะม่วงภิกษูตรทั้งหลายกายของตถาคตขาดตันหาที่พาไปสู่พบเสียแล้วคือไม่มีตันหาที่จะเป็นเหตุให้เกิดอีกเทวดาและมนุษย์จะเห็นกายของตถาคต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 ได้ชั่วเวลาที่ยังดำรงอยู่หลังจากกายแตกสลายไปเพราะสิ้นชีวิตแล้วเทวดาและมนุษย์จกไม่เห็นกายนั้นอีกชั่นนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนาอาจจัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏธรรมบรรยายนี้มีชื่อว่าอะไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัส ต, ตอบว่า อานนท์เธอจงจำธรรมบัรญรยายนี้ว่าอัตตชาละคือขายแห่งประโยชน์ก็ได้ธรรมชาละขายแห่งธรรมะก็ได้รมชาละขายแห่งสัพพัญญุตญาณอันประเสริฐก็ได้ทิฏฐิชาละขายแห่งทิฏฐิก็ได้สังคามวิชัยตำราพิชัยสงรามอันยอดเยี่ยมก็ได้ ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเบยากรณะพาสิทนี้จบลงโลกธาตุที่ประกอบด้วยหนึ่งมื่นจักรวาลได้วันไหวแล้วแลอธิบายเชิงอัดที่ชื่อว่าขายแห่งประโยชน์เพราะเหตุที่ในพรมชาชลสูตร พระพุทธองค์ทรงแจกแจงประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าอันเป็นดุจตะข่ายไว้ที่ชื่อว่าข่ายแห่งธรรมะเพราะพระองค์ตรัสถึงแบบแผนและละทัทธิธรรมเนียมอันเป็นดุจตะข่ายไว้ที่ชื่อว่าข่ายแห่งทิฏฐิเพราะพระองค์ทรงแจกแจงทิฏฐิหกสองอันเป็นดุจตะข่ายที่ผูกมัดผู้ที่มีความเชื่อลทัทธิเหล่านี้ไว้ และที่ชื่อว่าตําราพิชัยสงครามเพราะผู้ที่ฟังสูตรนี้แล้วสามารถพิชิตเทวปุตตมานขันธมานมัจุมานหรือกิเลสมานได้จบพระสูตรที่หนึ่งโรมชาลสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่เก้า